ท่านฝันที่เคารพคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่จะมาพบกับพระจันยภัยบูลอภิพุนโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดดอนทา น, นีกันอีกแล้วช่วงนี้ได้ว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจะนะและช่วงเทศการเข้าพรรษาก็มีพุทธประวัติจากพระโอษฐ์กับอริยสัจมาฝากท่านโดยเฉพาะคะ่ะน้ม ก, การคะ่ะท่านภบูลคะ่าเชิญบอนในเรื่องของพุทธประวัติวันนี้ ค่ะท่านแค่อ ย, อย่าเพิ่งไปสิคะยังมีกันบ้านที่ต้องรบกวนให้ท่านช่วยตอบอะค่ะอาา่าฮะได้ไดคื อ, เ, อเรื่องเกี่ยวกับพุทธวจนะอะค่ะ อ, อพอดีมีคนเขาถามมารู้สึกจะได้ฟังรายการนี้แล้วก็ส่งอีเมลไปถามท่านแต่ดิฉันเห็นว่าสมควรที่จะมาบอกต่อให้ทุกคนรับรู้รับทราบในเรื่องของคําภาวนาเพราะว่าเมื่อพูดถึงพุทธวจนะในเรื่องอานาปนสติก็จะ ไม่มีการบอกว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสให้ภาวนาด้วยคาบริกรรมอะไรออถูกไหมคะแล้วก็บังเอิญท่านก็พูดต่อเกี่ยวกับเรื่องถ้าหากว่าใครมีคำบริกรรมอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเนี่ยคะ่ะจึงมีคนสงสัยว่าเอ๊ะงั้นไม่ผิดเพี้ยนจากหลักการของรายการนี้ที่เน้นเรื่องพุทธวจะนะหรื อ, อค่ะก็คืออันนี้อันดับแรกก่อนต้องพูดถึงหน้าที่ของสมณะก่อนใช่ไหมสมณนี่เป็นสมณะ เพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เราต้องทาคือให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง <c oughs> แล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้จำแจ้งหน้าที่ที่สามก็คือว่าอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามหน้าที่ที่สี่ก็คือชี้ทางสวรรค์ให้แล้วก็ <c oughs> ห้ามเสียจากบาปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดอะไรไปแล้วเนี่ยจะทำให้คนจิตให้ตกอยู่ในอกุศลเนี่ยเราก็จะไม่ทำเพราะไม่ใช่หน้าที่เราเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ว่า ใครใช้วิธีการภาวนาแบบไหนแล้วก็ทําให้จิตเป็นสมาธิไดก้ก็ดีของคุณแต่อรรมาก็จะไ ม, ไม่พูดว่าต้องเป็นวิธีนี้เท่านั้นวิธีอื่นไม่ดีถ้าเราพูดไม่ดีไปเนี่ยคุณเดินเขาก็จะไม่เข้าใ จ, จทำให้จิตเป็นอกุศลได้น ะ, ะเราก็จะหลีกเลี่ยงอย่างพระในสมัยก่อนนะ ค, คุณติว๋วหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเนี่ยถ้าสิ่งที่พูดไปแล้วคุณเดินเขาจะไ ม, ไม่พอใจเนี่ยพุทธเจ้าก็ต้องหา จังหวะที่จะพูดไม่ใช่พูดโผงออกไปเลยน ะ, ะ, ะเพราะฉะนั้นก็คงต้องมีจังหวะมีอะไรโอกาสเหมาะสมก็อาจจะพูดชี้แจงให้ฟังฟังได้ในรายละเอียดแต่ถ้าจิตคุณเป็นสมาธิอยู่แล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรถ้าจิตเป็นสมาธินะไม่มีนิวรนะมีสติสัมปชัญญะใช่ไหมมีสมาธิฏิ ด, ด้วยนะแล้วก็ไม่สัดสายไปมาเป็นคนที่มีความเพียรนะเออทำวิธีไหนก็ทําเถอะแต่ตัวอาตมาทําอะไร นะเราทำอนาปันสติถ้าจะบอกให้เราสอนคนอื่นเราจะสอนอวิธีอะไรเราก็จะสอนอนาปันสัตติเพนะราะว่าเรามีความเชี่ยวชาญเราก็ปฏิบัติมาอย่างเนี้นะอค่ะแล้วก็ปฏิบัติแบบอย่างไม่มีขับบริกรรมตามที่พระพุทธองค์นะคะ อ, อันนี้ก็เลยอธิบายให้เข้าใจกันไปพร้อมๆกับหลายท่านอาจจะมีคําสงสัย ใ, ในใจนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องคําบริกรรมคือสมมุติว่าเราจะพูดถึงเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ <C han> นึกถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมถามว่าคุณโยมติ๋วนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงยังไงเห็นพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธเจ้าไหมนึกถึงค่ ะ, ะเห็นธรรมก็นึกถึงไปหมดเดี๋ยวคือมันต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะคะระ ย, ยะหลังนี้อาจจะเข้าใกล้คําสอนมา<อ>ขึ้นใช่ไหมค่ะนึกถึงคําสอนหรือเห็นอะไรที่ทำให้นึกถึงคําสอนที่จะนึกถึงพระพุธทธองค์ค่ะอย่างชาวศรีลังกาเนี่ยเขาเห็นต้นโพนะเขาจะนึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเขาจะยกมือไหว้เขาจะเดินไปก็จะคารมต้นโพมาก นะเพราะว่าเขาะเระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการเห็นต้นโพบางคนคเห็นเห็นพระพุทธ ร, รูปก็ได้บางคนเห็นใบไม้ร่วงยังเห็นทําได้ใช่ไห ม, มคือธรรมะมันมีอยู่ในทุกทุกธาตุอยู่แล้วถ้าเรามีธรรมะเราก็เห็นเห็นแก้วน้ําคุณยังนึกถึงพุทธเจ้าได้คนะเพราะฉะนั้นจะใช้นะคำอะไรจะใช้อะไรก็ได้ถ้าตราบใดคุณยังนึกถึงพระพุทธเจ้าได้นะก็ไม่เนินช้าเรา ก, ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเป็นพุทธนิสติได้คนที่ฟังวันก่อน ได้ยินว่าพระพุทธค์ตรัสเล่าเกี่ยวกับเรื่องยาถ่ายอันเป็นอริยะใช่พอกําลังจะรับประทานยาถ่ายนึกถึงพุทธเจ้านี้ก็ได้ด้วยไหมคะดีมากเลยจิตจะเป็นกุศลขึ้นมาทันทีถ้าตายไปตอนนั้นนะไปเป็นเทวดาแน่นอนใช่ให้สรุปแล้วอะไรก็ได้ที่เป็นอนุสติทําให้เรานึกถึงพระพุทธองค์ใช่แล้วก็ตัวพระองคเองเนี่ยยังบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นสมณะที่ละเอียดเป็นสุขมลรสชาติ นะคือสุขุมาเนี่ย <นะ S 1> บอกว่าลนะเอียดอ่อนในละเอียดอ่อนเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเวลาที่จะรับประทานอะไรฉันอะไรเนี่ยก็จะมีคนอ้อนวอนให้ให้รับประทานอนันชัน น, นั้นตมากกว่านะที่จะไม่มีคนอ้อนวอนหรือจะใช้จีวอก็จะมีคนอาท่านท่านใช้จีวา น, นี้เธออย่างเงี้ยนะท่านอยู่เซ น, นัสนาณีเธออย่างเงี้ยนะจะมีคนมาอ้อนวอนให้อยู่ตลอดก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่บุคคลที่เป็นอย่างเนี้ยจะเป็นผู้ที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งเราจะเห็นได้อย่างสมัยปัจจุบันก็จะมีพระครูบาอาจารย์ต่างๆนะที่ท่านอุบาสกอุบาสิกาเอาสิ่งของมาถวายก็ออนวอนให้ใช่ใชไหมหรือเราก็จะมีเห็นบางส่วนที่ไปอยู่ป่านะอยู่รูปเดียว 2- อสามรูปไม่สนใจใครก็มีนะซึ่งก็จะเห็นความแตกต่างของความที่ละเอียดเป็นสุคุมาลชาติไม่เหมือนกันอีกประการหนึ่งที่พูดถึงความเป็นสุคุมาลชาติเนี่ย ก็ยังพูดถึงฌานที่สี่นะถ้าใครได้ฌานทั้งสี่ไม่ใช่ฌานที่สี่นะฌานทั้งสี่นะถ้าใครได้ฌานทั้งสี่โดยไม่ยากไม่ลําบากเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นสุคุมาลชาติเหมือนกันออันนี้ในยานี้น่าสนใจมากนะว่าความละเอียดอ่อนเนี่ยไม่ได้ดูกันที่ว่ า, เ, าเขาเรียกว่าปัจจัยสี่อย่างเดียวนะแต่ยังดูนะที่ฌานทั้งสี่ด้วยซึ่งพระองค์นี้ได้ทั้งสองอย่างเลยไงทั้งทางกายทางใจ คอคันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับตอนเมื่อวานที่เราพูดถึงว่าที่ยืนที่นั่งที่เดินที่นอนมันเป็นทิปใช่ไหมว่าถ้าใครได้ชั้นสี่ชั้นตั้งสี่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็สบายใจสุขไปหมดที่ว่าเป็นจิตที่ละเอียดเป็นสุขมุมร l a c h ได้เหมือนกันอืค่ะสุขุม a l ชานี่จะพูดถึงว่าเป็นคุณหนูก็ได้นะไฮโซอย่างงี้ได้ไหมถ้าสมัยปัจจุบัน <c oughs> ก็อาจจะได้บางมุมนิดหน่อยคงไม่ครบทุกมุมเพราะว่าทั้งในที่นี้แหมพอฟังเรื่องของพระพุทธองค์มาแล้วนี่ไม่รู้จะเปรียบ ก, กับอะไรเลยคแล้วในในตอนนั้นก็มีชาวนาอยู่คนหนึ่งนะก็มาคุยกับพระพุทธเจ้าว่าเป็นยังไงอะไรต่างๆให้ไปบินาบาต ท, ที่ที่นาของตัวเองบ้างเงี้ยนะพระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็เลยบอกว่าเออพระองค์ก็ทํานาเหมือนกันนะโดยบอกว่าพระองค์เนี่ยคือ คือชาวนาบางคลอาจจะงงว่าเอา้า พ, พุทธเจ้ามาทํานาได้ไงเพราะว่าเป็นพระอย่างงี้นะหากินไม่ได้ในลักษณะที่ทํานาพรพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ า, าพระองค์เนี่ยมีศรัทธาเป็นพืชนะมีความเผาผลาญกิเลสเนี่ยเป็นน้ําฝนปัญญาเนี่ยเป็นแอกนะและขันไถ่ฮิรินี่ยคือความละอายต่อบาปเนี่ยเป็นงอนไถนะใจเนี่ยเป็นเชือกชักสติเนี่ยเป็นผานและปัตติก การควบคุมกายคุมวาจาและคุมท้องในเรื่องอาหารเนี่ยเป็นรั้วของนานะเราทําความสัตย์ให้เป็นผู้ถากหญ้าทิ้งนะคือเวลาชาวนาเขาปลูกข้าวขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปลกหญ้าออกคือไปดึงวัชพืชออกนะพระพุทธเจ้าก็มีความสัตย์เนี่ยเป็นการเอาหญ้าวัชพืชไปทิ้งแล้วก็ความยินดีในนิพพานเนี่ยเป็นกําหนดการเลิกทํำนาลักษณะนี้อ จะเห็นได้ว่าคือที่ชาวนาเขาต้องมีรั้วนาอันนี้อัตมาก็เพิ่งมาทราบภายหลัง น, นะ <Okay. S 1> พอเราเห็นอุปมาอุปไม้นี้เราก็เลยไปถามชาวนาว่าไอผานี่มันคืออะไรประตักคืออะไรทําไมต้องมีรั้วนาชาวนาก็บอกว่าต้องมีรั้วนาเพราะว่าบางทีวัวควายเนี่ยมันมันมาแล้วมันก็มาแอบกินข้าวแล้วก็มีรัว้าวกันเอาไว้ท่านเพรียบอะไรนะคะกับรั้วนาเนี่ยค่ ะ, ะการคุมกายคุมวาจาคุมท้องในเรื่องอาหารคือปิดกั้นอินทรีย์ว่างั้นเถอะ แล้วที่น่าสนใจคือมีใจเป็นเชือกชักใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใช่ไหมเป็นเชือก <Okay. S 1> ชักให้หัวควายเนี่ยเปนเดินไปตามทิศทางที่เราต้องการ <Okay. S 1> แล้วก็กำหนดเลิกทานาทานาเสร็จนี่ก็คื อ, อ, อรู้รสอนิพพานนะแล้วก็ยังพูดถึงการผลของข้าวที่ได้ออกมาเนี่ยคือความอมตะเนี่ยเป็นผลของการทานาล <Okay. S 1> ักษณะนี้ คงจิงอันนี้อยากจะให้ท่านได้พูดทบทวนนะคะเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีการทํานาอ่าอย่างมากแล้วก็จะได้ได้ความรู้พรีพร้อมมาเลยได้ทางทำด้วยได้เข้าใจถึงกระบวนการทํานาเพราะเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคงจะไม่ค่อยอได้รู้ถึงวิธีการทํานาแบบเก่านะคะเดีนี้ไม่ต้องใช้ชักวัวควายแล้วค่ะใช้กดตุ้งก็เราก็เพิ่งเพิออ่งจะมาทราบตอนที่มาอยู่ดอนนี่เหมือนกันแหละมาเป็นพระนี่แหละ นัพุทธเจ้าบอกว่าศรัทธาเนี่ยเป็นพืช<ค>ะนะคือเหมือน <คะ S 2> มเมล็ดพืชเนี่ยจะต้องหวานลงไปใช้ศรัทธาไปก่อนเลยนะักพุทธเจ้าเคยพูดเปรียบเทียบ ว, ว่าศรัทธาเนี่ยเป็นการปลูกศรัทธาไั้ประเด็นต้องเหมือนพืชบางอย่าความเผาผลาญกิเลสเป็นน้ําฝนนะความเผาผลาญกิเลสเป็นน้ําฝนปัญญาเนี่ยเป็นแอกและคันไถ่า <คะ S 1> เป็นแอกและขันไถ่นะฮีรีเนี่ยเป็นงอนไถ่านะใจเป็นเชือกชักอื สติเนี่ยเป็นผานและประตักค่ะแล้วก็การคุมกายคุมวาจาคุมท้องในเรื่องอาหารเป็นรั้วของนาค่ะแล้วก็การทำความสัตสัสสจนะค่ะเป็นเอ่อเป็นการถากหญ้าไปทิ้งวัชพืชออกไปค่ ะ, ะความยินดีในพระนิพพานนะเป็นกำหนดการเลิกทำนาค่ะ บางบางทีชาวนาเขาจะใช้การดูท้องฟ้าดูฝนบางท้องฟ้าแดงๆเอาฝนจะหยุดแล้วเอาเลิกอย่างเงี้ก็มีนะค่ะแล้วก็ความเพียรของเรานะเป็นผู้ลากแอกไปลากไปสู่แดนอันกเกษมจากโยคะนากสถานีไปอยู่อย่างเดียวไม่เวียนกลับคอืมแล้วก็ผลของนานี้ก็คือความอมตะเป็นความไม่ตายเป็นผลค่ะค่ะท่านุ่นคะ ท่านจะเห็นเลยนะคะว่าพระพุธองนั้นลำดับเล่าตั้งแต่เบื้องต้นของการทำนาว่ามีมเมล็ดพืชก่อนในส่วนของการปฏิบัติของท่านก็คือมีศรัทธามีศรัทธาในการเผากิเลสใช่ซึ่งในตัวเผากิเลสเนี่ยท่านเปรียบเหมือนน้าฝนเพราะชาวนาก็จะทํานากันในฤดูที่มีน้ําถูกไหมคะแล้วก็ในเรื่องของอีกประการหนึ่งที่สําคัญของพระพุทธองค์ในการที่จะไปถึงนิพพานก็ต้องมีเรื่องของปัญญาเปรียบ แอกกับคันไถแอกนี่คือที่วางไว้บนบนบนคอควายใช่ใช่สำหรับไถนาใช่ไหมคะที่ล็อกไว้เลยใช่ค่ะแล้วก็ฮิริฮิริคือความละอายใช่ไหมคะท่านความละอายต่อบาปคืองอนไถไอ้ตัวที่มันจะไถลงไปในดินถูกไหมคะอันนั้นเขเรียกว่าผานอ๋อเหรอคะและไอ้งอนไถนี่คือตัวจับเหรอคะเขาเรียกว่าคันไถอ่ะตัวที่ล็อกอยู่กับแอกค่ะคือเหมือนก็ไว้บังคับใช่แอกเป็นบังคับทิศทาง ใจเป็นเชือกชักอันนี้บังคับวัวควายนั่นบังคับคันไถนะคะทีนี้สติท่านบอกว่าเป็นผานผานคืออะไรคะผานกับตะปัดไหมคะผานคือไอ้ที่มันไปแทะอยู่กับดินนะนะที่ทําให้ดินขาดที่ทําให้ดินมันเปิดออกมาอ่ะใช่ฮะเป็นถ้าเป็นรถไถดิฉันเข้าใจผานจะเป็นวงกลมวงกลมเลยวงเพรทิ้งอยู่ที่พื้นมันก็จะหั่นดิน ใช่เขาเรียกว่าพลิกหน้าดินค่ะแล้วกายของพระพุทธองค์เปรียบรู้ว่าเมื่อกี้พูดไปแล้วความสัตว์ความจริงเนี่ยนะคะเหมือนกับท่านถากหญ้าทิ้งแล้วก็มาถึงตอนจบก็คือได้นิพพานก็คือกาหนดการเลิกทำนาใช่ค่ะผลที่เกิดขึ้นก็คืออมตะนั่นเองยอดเยี่ยมอันนี้เป็นพระพุทธรัตั์เล่าพุทธประวัติของพระพุทธองค์เองนะคะโดยเปรียบเทียบการที่ ท่านได้ปฏิบัติต่างๆจนกระทั่งบรรลุพระนิพพานนั้นเหมือนกับการทํานาของชาวนาถูกไหมคะคือชาวนาคนนี้เขามาบอกมาบอกผุ้รูเช้าก่อนเป็นพราหม์นะคนนี้พราหมณ์ที่ทํานาเนี่ยเราก็ต้องหวานข้าวหวานข้าวแล้วถึงได้กินข้าวนะแต่ท่านไม่ได้หวานข้าวท่านจะมากินข้าวได้ยังไงผู้รู้เช้าบอกว่าเราเองก็ย่อมไถ่ ย, ย่อมหวานครั้นไถ่แล้วหวานแล้วก็ได้บริโภคเหมือนกันค่ะ คือชาวนาคิดว่าชาวนาตัวเองมีประโยชน์พระพุธองเห็นนั่งเฉยเฉยคงจะไม่มีประโยชน์แบบชาวนาว่างั้นเถอะนะแต่จริงๆนะไม่ใช่เลยอทีนี้มาเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งในเรื่องของความดับไม่เหลือของทุกนะคือเรสสีนิดหนึ่งก็คือว่ามีครั้งหนึ่งที่เป็นมีเครือขันไปถามพระพุทธเจ้าในคำถามเนี้ยที่อาตมาไปค้นอยู่ในพระไตรปิฎกนะปรากฏว่าเป็นคําถามที่ถามโดยครือขันแล้วก็ถามโดย เทวดาเท่านั้นเองไม่มีพระสงฆ์ไปถามนะ ค, คือคําถามที่บอกว่าทําไมสัตว์ทั้งหลายบางเหล่าเนี่ยยังไม่บรรลุนิพพานทําไมยังไม่บรรลุนิพพานในปัจจุบันเนี่ยเป็นคําถามที่จริงๆน่าจะเป็นคําถามของพร ะ, ะแต่พระไม่เคยไปถามนะมีแต่กระดับบดีกับเทวดาคือพระอินทร์เนี่ยไปถามนะ ค, คำตอบที่พระเจ้าตอบก็จะเป็นนัยยะเดียวกันนะว่าถ้าใครยังมีความยึดถือคือหมายความว่ายินดี นะในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีความยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงในสิ่งนั้นก็ยังชื่อว่ามีตันหาอยู่มีเชื้อเหลืออยูนะ่คนที่มีเชื้อเหลืออยู่ก็ชื่อว่ายัางไม่ปรินิพานเชื้อในที่นี้ก็พูดถึง อ, อุปทานความยึดมั่นถึงมั่นถ้าหมดเชื้อคือหมดอุปทานเนี่ยก็ชื่อว่าปรินิพานได้ค่ะนี่คือเรื่องของอริยสัจ อีกนิดนึงที่พูดถึงอริยสัจตอนดับไม่เหลือของทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นได้เองนะเห็นได้เองแล้วก็รู้ได้เฉพาะตนซึ่งตรงนี้พุทธเจ้าก็พูดถึงความที่เมื่อละราคะโทวสัโมหะได้แล้วเนี่ยนะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนใครเนี่ยก็ย่อมรู้ได้เฉพาะตนนะเป็นนิพพานความดับแห่งการเบียดเบียนความดับแห่ง เครื่องร้อยรัดเครื่องรึงรัตเนี่ยเราก็จะเห็นได้เองอันนี้ในิยะที่หนึ่งอีกนิยะที่หนึ่งก็คือพูดถึงเมื่อวันก่อนอ น, นั้นเราพูดถึงเรื่องอนิพพานที่ดับเป็นขั้นๆในสมาธิอย่างสมมุติเรานั่งสมาธิเนี่ยให้ความคิดไม่ดีไม่ดีมันดับไปอันนี้เราเห็นได้เองอ น, นี่คือนิพพานเหมือนกันในิยะที่สองค่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของอริยสัจสี่ในเรื่องของความดับไม่เหลือของทุกยังมีอีกไหมคะเนี่ย ก็คื อ, อวันนี้ถึงจะพอแค่นี้ก่อนนะคะคือหมายถึงว่าเรื่องยังไม่จบติดตามตอนต่อไปถ้าที่นี่ก็มีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านเทบุลค่ะจ้าเจริญพรท่านฟังคะท่านเทวุลเป็นพระภิกษุจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาท่านก็เลือกเนื้อหาที่มีรายละเอียดเฉพาะพิเศษสําหรับพุทธประวัติจากพระโอษฐ์กับ ร อ, อริยสัจสีมาฝากกับพวกเรานะคะและเมื่อพ้นข้อพรรษาไปแล้วภายในหนึ่งเดือนเขามีกระถิ่นกันที่วัดป่าดอนหายโศกก็จะทอดกันวันพิยงมาหาราชที่23ตุลาส่วนวัดของพระภิกษุรูปแรกนะคะคือพระมา ช, ชาควรโรซึ่งก็เป็นวัดเดียวกันกับพระภิกษุที่แจกหนังสือพุทธวัจนะให้กับเราด้วยคือท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงลำลู ก, กาครองศิษย์นี่ก็จะทอดกันในวันที่10 6ตุลาคม2554นี้ค่ะส่วนรายการของเรานะคะเรามีการเสนอพุทธวจนะกันเป็นประจำเป็นเวลาแรมปีมาแล้วแล้วก็จะมุ่งมั่นเสนอต่อไปตราบเท่าที่สถานีวิทยุ f m 106ครอบครัวข่าวแล้วก็วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะได้จัดสรรเวลาให้กับเราในวันนี้ก็คงจะต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ติดตามรับฟังรายการ ส, ามสัมมนาสนธนาดำเ น, นินรายการโดยสัมส น, นาณพงได้ใหม่หวันพรุ่งนี้พุทธ ว, สสวัสดีค่ะ